ในอัถกถาหน้า383กลางหน้าที่บอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะทั้งสองท่านคือทั้งพระปุณณะพระสารีบุตรเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเป็นชาติพราหมณ์ก็เรียกว่าอุทิจพราหมณ์แปลว่าเป็นพราหมณ์ตระกูลสูงนะเป็นเป็นพราหมณ์ตระกูลสูงมากเลยทั้งคู่ทั้งพระสารีบุตรและพระปุณณะและทั้งสองรูปเนี่ยมีผิวพันธ์เหมือนทองเนีเป็นเรียกว่าผิวทองอ่ะนะ เรียว่ารูปงามมากภาษาที่บุตรก็มีสมาบัติพร้อมด้วยอรหั ต, ตผลพระปุณณะก็เป็นถึงพร้อมด้วยสมาบัติที่เป็นอรหั ต, ตผลก็าเรียกว่าทั้งคู่มีอรหั ต, ตผลสมาบัติเหมือนกันตระกูลเหมือนกันผิวคล้ายกันแล้วก็ได้อรหั ต, ตผลสมาบัติเหมือนกันพระปุณณะสร้างบารมีมาสร้างบุญตั้งความปรารถนามาแสนมหากราหัรภาษาที่บุตรหนึ่งอสงไขยแสนกับ คิดดูนะถ้าพูดแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยพระปุณณะน่าจะเป็นคนเข้าไปหาพระสารีบด but ต, ตรงนี้บอกพระสารีบดเข้าไปหาพระปุณณะเพราะอะไรเพราะผู้มีปัญญาเนี่ยนะจะเสาะแสวงหาผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะยิ่งมีปัญญามากยิ่งต้องสแสวงหาผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นเนี่ยนะเราว่าไม่ไม่ค่อยอินในข้อมูลเนี่ยนะผู้มีปัญญาจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยอินในข้อมูลแต่ก็ต้องคัดข้อมูลใช่ไหม เขาบอกว่าไม่อิ่มที่จะคบบัณฑิตแต่ก็เลือกบัณฑิตที่จะคบเนี่ยนะก็ต้องเป็นบัณฑิตดีจริงวังนั่นเถอะจึงจึงจะยินดีที่จะครบทีนี้ถามอ่ะแล้วพระปุณณะทำไมไม่เข้าไปหาพระสารีบุตรถ้าหากว่าพระสารีบุตรอยู่โดยเอกเทศลำพังส่วนตัวไม่ใช่อยู่ในวัดที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ท่านจะเข้าไปหาพระสารีบุตรเป็นหลักแต่นี้เนี่ยอยู่ในสํานักของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถือว่า สูงสุดแล้วเมื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในสมาคมที่อริยะาสาวกไปรวมกันก็ชื่อว่าได้เข้าเข้าใกล้สาวกทั้งปวงแล้วโดยถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นประมาณเนี่ยนะก็ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพสูงสุดเนี่ยพนระส า, ารีบุตรและพระปุณณะเนี่ยเป็นได้อะไรได้ปฏิสัมพิทาสีปฏิสัมพิทาสีแตกฉานในอัฏฐะแตกฉานในธรรมะแตกฉานในนิรุตและ ปฏิพาณะเนี่ยนะเป็นผู้ที่ได้ปฏิสัมพิทาสี่คืออย่างที่ว่าความรู้ในปฏิปฏิสัมพิทาสี่คืออะไรถ้าตามคำพีวิพังปฏิสัมพิทาวิพังเป็นต้นเนี่ยนะก็กล่าวว้ละยานที่รู้ในอัฏฐะชื่อว่าอันนะอัฐะปฏิสัมพิทายานที่รู้ในธรรมะเรียกว่าธรรมะปฏิสัมพิทายานที่รู้ในปฏิพาณเนี่ยเรียกว่า ปฏิภาณปฏิสัมพิทายานที่เอข้าไปญาณที่รู้ในนิรุตติชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทายานที่รู้ในญาณทั้งสาข้างต้นเรียกว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาทีนี้ท่านเหล่านั้นเนี่ยปฏิสัมพิทาก็คืออะไรอัตถาก็คือทุกขสั์กับนิโรสั จ, จธรรมะก็คือสมุทัยสั จ, จกับมรรสั จ, จะการเอาสัจจ์ทั้งสี่มาแสดงก็เป็นนิรุตติผู้ที่แตกฉานในความรู้ เรียว่ารู้ในเรื่องความรู้อีกทีหนึ่งรอบรู้ในสิ่งที่ที่ที่เป็นความรู้นะอันนั้นแหละเป็นปฏิภาณทีนี้การรู้นั้นอ่ะนะก็คืออะไรรู้เช่นรู้ชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธาคามินีปฏิปทาชรามรณะเป็นอัตตชรามรณะสมุทัยเป็นธรรมะชรามรณะนิโรธเป็น อัฏฐชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทาก็เป็นธรรมะการเอาสิ่งเหล่านี้มาแสดงได้ก็เป็นนิรุติผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรในนันะ้อย่างดีรู้ในความรู้นั้นอีกทีหนึง่งอันนั้นเป็นผู้มีปฏิภาณอย่านีน้ทั้งคู่เนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยภาษาริบุตรก็เป็นอย่างนั้นพระปุณณาก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะซึ่งภาษาลิบุตรก็เป็นเอตทถคาด้านปัญญาพระปุณณามนตานีบุตรก็เป็นเอตทถคาด้าน แสดงธรรมเนี่ยนะนะด้านแสดงธรรมเป็นผู้ที่เอตัคธะเรื่องการเป็นนักเทศอะนะแต่แต่สั ง, สงเกตดูนะผู้แสดงธรรมจริงๆไม่ใช่คนชอบคลุกคลีเนี่ยนะนะจริงๆก็ถามว่าท่านเทศเยอะไห้บอกเทศเยอะมากแต่ท่านชอบคลุกคลีไหมชอบผู้ชอบคุยไหมบอกไม่ชอบอยู่คนเดียวเนี่ยนะคือเราบอกว่าคนที่เทศมากๆน่าจะเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยใช่ไหมบอกไม่ตรงกันข้ามเลยนะชอบอยู่เงียบๆเนี่ยนะนะแล้วก็เวลาพูดทุกคําก็เป็นอัดเป็นธรรมพูดจบแล้วก็ เงียบต่อไปอะไรเนี่ยไอ้คำว่าเ ง, งียบนี่ไม่ใช่หลับนะนั่นไม่ใช่นิ่งเป็นหลับขยับแล้วหาฉันต่ออะไรแบบนี้ไม่ใช่แต่หมายคําว่านิ่งแล้วนิ่งทําไมก็นิ่งพิจารณาอัดพิจารณารมเพราะท่านถือว่าการพิจารณาเป็นอาหารของปัญญาการพิจารณานั่นแหละเรียกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยนะก็อยู่ด้วยการพิจารณาแต่การพิจารณาของท่านพิจารณาตามอะไรพิจารณาตามอัถฐตาม ธรรมะพิจารณาทุกข์สมุทัยนิโรธมักโดยปริยายต่างๆโดยเง่มมุมต่างๆโดยวิธีการต่างๆและท่านก็ชอบสนทนาการในเรื่องของอริยสัจ ท, ทั้งหลายนิยมสนทนาการในเรื่องสัจจกถาเนี่ยนะเพราะเป็นผู้ที่ได้ปฏิสัมพิทาย้อนกลับมาสรรเสริญพระอริยส า, าวกทั้งสองรูปคือพระปุณณะกับพระสารีบุตรเพิ่มเติมว่า พระเทระทั้งสองรูปเหมือนราชสีสองตัวเข้าไปในถ้าทองเหมือนกันพระเสือโครงสองตัวลงสู่ที่สะบัดแข้งสะบัดขาแห่งเดียวกันเหมือนพญาช้างฉัตรทานตะสองเชือกเข้าสู่สารวันที่มีดอกบานดีแล้วแห่งเดียวกันเหมือนพญาสุบรนสุบรนก็พญาครุฑเนี่ยนะสองตัวสู่ป่าชิมพลีแห่งเดียวกันเหมือนท้าเวสวร์นเนี่ยนะ ประทับยานรพหณะอันเดียวกันเหมือนเท้าส ก, กะสององค์ประทับร่วมปันฑุกัมพลศิลาอาศเหมือนเท้าหาริตะมหาพรหมสององค์ประทับอยู่ภายในวิมานเดียวกันก็เรียกว่าอุปมาว่าไอ้สิ่งที่มันดีๆทั้งหลายแล่เนี่ยนะประเสริฐแต่จริงๆแล้วทั้งสองรูปเนี่ยนะความเป็นจริงแล้วเนี่ยราชสีกับเสือยังไงจะสู้พระอรหันได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเที่ยวกับพญาช้างพญาหงพญาครุฑเนี่ย ถ้าทานทั้งสององค์ก็เหนือกว่าอยู่แล้วถ้าเทียบกับเท้าเวสวร์เนี่ยนะราชาของหมูยักษ์ทั้งสองท่านก็เหนือกว่าอยู่แล้วถ้าเทียบกับเท้าสกะทั้งสองรูปก็เหนือกว่าเท้าสักกะถ้าเทียบกับเท้ามหาพรหมพรหมทั้งหลายก็แทบจะเป็นบริวารของท่านนั่นแหละทีนี้ถามว่าทำไมจึงเครวญยกถึงความเด่นล้าว่าทั้งสององค์เนี่ยเป็นผู้ที่เด่นล้าเพราะอะไรเพราะทั้งสองรูปเป็นชาติพราหมณ์ มีวั น, นะเหมือนทองเรียกว่าเป็นคนที่ผิวสวยเนี่ยนะแล้วก็ได้สมาบัตคืออรหัตผลสมาบัตสร้างสมบารมีมาแลว้วทั้งสองรูปเป็นพระมหาคีนาศพเป็นพระรหารผู้ใหญ่แล้วก็บรรลุ ป, ปฏิสัมพิธาทั้งสองรูปเข้าไปสู่ไพรส น, นนะแล้วก็ทำป่านั้นให้งดงามบอกว่าป่าแห่งใดสถานที่แห่งใดที่พระรหาราทั้งหลายอยู่สถานที่ตรงนั้นน่ารื่นรมน่ายินดีน่าเพลิดเพลิน เ, เนี่ยนะ หือใครที่ไปสาวัถีเนี่ยนะก็ระลึกว่าป่าอันธวันเนี่ยเคยมีพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไปนั่งสนทนาธรรมกันนะทีนี้ท่านก็นั่งพักตั้งแต่ชา้นเสร็จถึงไหนโน้นถึงบ่ายบ่ายเย็นเย็นเนี่ยนะพอบ่ายเย็นไปแล้วเนี่ยท่านพระสารีบุตรออกจากที่พักผ่อนแล้วเข้าไปหาท่านพระปุณณมันตานีบุตรให้ระลึกถึงกันแล้วก็คือไปพูดคุยกันแล้วก็นั่งหน้าที่กวนส่วนข้างหนึ่ง คันนั่นเรียบร้อยแล้วพระสารีบดีก็ถามท่านพระปุณณมันตานีบดีว่าท่านผู้มีอายุท่านประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราหรือคําถามอันนี้ถามถึงอะไรพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านคุยกันไม่เกินสัพจสีและสิ่งที่ท่านพูดคุยกันอยู่ในกรอบอริยสัจเท่านั้นท่านจะไม่คุยนอกเรื่องนะฮะเรื่องอื่นท่านไม่คุยท่านคุยอยู่เรื่องอริยสัจส คำถามว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นะเป็นคําถามเกี่ยวกับอะไรสัจจะไหนมรคคุริยสัจจะเนี่ยนะพรหมจรรย์กันชื่อของอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญานี้เรียกว่ า, าศาสนพรหมจรรย์เพราะคำสอนทั้งมวลของพระพุทธเจ้าสอนอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาผู้ที่ประพฤติบริบูรณ์เรียกว่าอริยมรคเนี่ยนะถ้าทําทั้งสมทั้งอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาให้บริบูรณ์เรียกว่า อริยมรรการประพฤติอย่างนี้เรียกว่าพรหมแปล ว, ว่าประเสริฐเป็นการประพฤติอย่างประเสริฐเนี่ยนะกายวาจาใจาที่ประเสริฐเนี่ยนะเรียกว่าพรหมจรรย์หรือเป็นคำส่อเป็นพรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐแสดงบรรัญญัติแต่งตั้งให้ผู้อื่นได้ประพฤติตามซึ่งไปสู่ถึงเป็นข้อปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์นั่นคะำถามว่าท่านปฏิบัติตามอริยมรรตามอธิศินอธิจิตอธิปัญญา อยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราหรือนะครับนับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นของเราใช่ไหมเอ๊ะนี่มีอัตตาหรือเปล่าเรียกว่าเราอไม่มีหรอกเนี่ยนะท่านไม่ได้เข้าใจผิดอะไรหรอกพระปุณณะก็ตอบว่าบอกใช่อย่างนั้นสิเนี่ยนะใช่และถูกต้องว่า ง, งั้นนะก็ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่นะอันของเราบอกเอายังประพฤติปฏิบัติธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่หรือเชื่อไหมไม่ตอบอย่างนี้นะโดยมากอันนั้น มาแปลกใจมากเลยในตอนหลังไม่รู้พระพุทธโภมาจันท ร, ร์ในใครก็ไม่ทราบนะนั้นก็เออชื่อสํานักทันทีเลยเนี่ยนะซึ่งซึ่งมันคือคือเราก็ก็แล้วแต่ใครอ่ะนะแต่เล่าว่าห่างพระพุทธเจ้าเข้าไปทุกทีทุกทีเนี่ยนะนะกลายเป็นว่าคําสอนของคนนั้นคําสอนของคนนี้ก็แสดงว่าเราไม่เข้าใจเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรต้องไปอิงนายหน้าตลอดเลยนะอิงนายหน้าตลอดและนายหน้าคือคือก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าได้นายหน้าดีก็เป็นกาลยานามิตรไป แต่ทีนี้ถามว่าถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของพระพุทธเจ้าเลยจะน่าสงสารขนาดไหนกลายเป็นว่าไม่รู้พระพุทธพรหมจาร์ er system, ในลัทธิของใครเนี่ยนะก็อ้างแต่หัวหนา้าหัวหน้ากลุ่มตรงนั้นอ้างแต่หัวหน้ากลุ่มก็เลยกลายเป็นคําสอนของหัวหน้ากลุ่ม yeah, นะนะทีนี้พอหัวหน้ากลุ่มพูดอย่างไรเนี่ยพูดตรงกันข้ามกับคําสอนก็เชื่อใครเชื่อ er, หัวหน้ากลุ่มเนี่ยนะเขาบอกโอ้ยไม่ได้ถ้าเราคัดค้านเดี๋ยวเราก็อยู่ในกลุ่มนั้นไม่ได้เนี่ยนะ ก็ะขอให้ได้อยู่ในกลุ่มนั้นก็แสดงว่าเรามีกลุ่มนั้นเป็นสารณะเนี่ยนะก็นับถือว่าหัวหน้ากลุ่มเป็นศาสดาคำสอนในกลุ่มนั้นเป็นธรรมะแล้วก็หมู่คณะนั่นแหละเป็นสงเขาใช้คำว่าศาสดาธรรมะแล้วก็หมู่สงนั่นแหละคือสารณะของเขาอธิจริงคำนี้เขามาไม่ได้บัญญัติขึ้นเองภาษารีบทแสดงไว้ในคำพีมหานิเทศเนี่ยนะคีมหานิเทศ กล่าวถึงนับถือศาสดาใดธรรมะของศาสดาใดหมู่คณะหมู่นี่แปลว่าสงฆ์หมู่คณะในศาสดาใดก็เท่ากับว่านั้นเขาจะชื่นชมศาสดานั้นชื่นชมทัณฑ์ที่ธรรมะของศาสดาธรรมะที่ศาสดาคนนั้นะบอกแล้วก็หมู่คณะแวดวงของเขาก็จะชื่นชมอยู่เท่านั้นก็แสดงว่าเป็นอีกอีกหนึ่งศาสนาอีกหนึ่งกลุ่มเนี่ยนะมันก็ต้องมาเรื่องว่าเออศาสดาผู้นั้นคือใคร พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ต้องพยายามระลึกถึงไว้อย่างนี้ว่ า, าศาสดาของเราเนี่ยนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นาาศาสศาสนาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนะก็ก็พร้อมที่จะเป็นาศาสดากันละว่างั้นเถอะพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าบัญญัติอะไรขึ้นมาก็ได้เนี่ยนะซึ่งอันนี้เราต้องระวังว่าเรายังนับถือพระพุทธเจ้าอยู่หรือยังมั่นคงอยู่กับพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์อยู่หรือเนี่ยนะ นันแม้กระทั่งสมัยพุทธ ก, การเขาก็ยังถามกันแบบนี้นะเพื่อความแน่ใจเดี๋ยวคุยกันคนละสำนักกลยยุ่งเลยเนี่ยนะแ้วคุยกันคนละคนละเทระวัคนละคนละทิฏฐิเลยเนี่ยนะคนละข้อปฏิบัติเลยเนี่ยเขาบอกว่าไม่คุยกันเนี่ยดีที่สุดนะไม่คุยกันนี่ดีที่สุดถามว่าทําไม เพราะอีกคนหนึ่งคือคือคนบอกว่าซ้ายดีเขาก็บอกว่าซ้ายดีคนที่บอกว่าขวาดีเขาก็ว่าขวาดีสรุปว่าคอมมิวนิสต์กับประชาธิธปไตยมันคุยกันไม่รู้เรื่องฉันใดมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิมันก็คุยกันไม่ได้หรือมิจฉาทิฏฐิมันแตกแขนงอีกนะอุเฉททิฏฐิก็คุยกับศัสตทิฏฐิไม่รู้เรื่องศั ส, สตาก็คุยกับอุเฉทไม่รู้เรื่องเอกจะสัสตทิฏฐิก็คุยกับพวกที่เหลือไม่รู้เรื่องมันก็ห้ำหั่นกันด้วยทิฏฐิ นะแต่ถ้าสัมมาทิฏฐิที่เป็นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่ผกการจะไม่เถียงกันจะไม่ทะเลาะกันเพราะมีความเห็นเป็นอันเดียวกันอันนี้เราต้องพยายามระวังอ่ะนะแต่ถ้าหากว่าคนที่เขามั่นใจที่เขาจะนับถืออย่างใดแล้วก็ตามสบายนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ส่งเสริมแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้คัดค้านเพราะว่าเป็นเสรีภาพทางทางอะไรทางการทางรับทีทางาศาสนาในวัตต่างกันเถอะ อยู่ในวัตฏะก็เอาเตามสบายแล้วกันแต่ถ้าหากว่าประสงค์ที่เราว่าเราคงเผลอไปว่าอ้าวนี่ของเราในฐานะผู้ที่นับถือคําสอนของพระพุทธเจ้านะเราก็หวนมาระ ล, ลึกว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือที่นี้ภาษาริบด์เนี่ยนะคำถามของท่านท่านเจาะเรื่องเลยพรหมจันทร์เนี่ยอย่าลืมวนะ่าคืออะไรอธิศีนอธิ จ, จิตและอธิปัญญา ท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่อพรหมจรรย์หรือคำถามจะเป็นประเภทนี้ก็เลยตั้งเป็นคําถามเกี่ยวกับวิสุทธิเจประการว่ า, าท่านท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อศีลแล้วิสุทธิหรือที่ท่านมาศึกษามาปฏิบัติท่านต้องการศีลใช่ไหมไม่ใช่เห็นไหมท่านมาปฏิบัติเนี่ยนะหมายความว่ามาศึกษามาปฏิบัติในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย เพื่อสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะใช่ไหมท่านมาศึกษาปฏิบัติอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อปฏิโมกขสังวลอินทรีย์สังวลโพชัญปัจยสันนิสิตาศินอาชีวะปาริสุทธิศินใช่ไหมท่านมาอยู่ในท่านมาประพฤติปฏิบัติเพื่อจารีตสีนวารีตศินใช่ไหมอันนเพื่อเจตนาศินเจตสิกสินสังวรศินอวีติกมะสินเป็นต้นใช่ไหมท่านมาทําเพื่อสิ่งเหล่านี้ใช่ไหม พระปุณหะบอกไม่ใช่นะไม่ใช่เอาเขาบอกว่าพรหมจรรย์ในศาสนานี้ต้องเป็นไปตามลาดับนะในวิสุทธิเจ็ดประการเนี่ยถือว่าเป็นลําดับของการปฏิบัตินะเอาถามแล้วสรุปว่าท่านไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจตุปาริสุทธิ์ที่ศีลไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกามศีลไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจารีศีลหรือวารีศีลเป็นต้นเอาตกลงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อจิตตวิสุทธิใช่ไหมท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่อรูปปัจจันและอรูปปัจจนใช่ไหมท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิใช่ไหมประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสัมมาวายามะสัมมาสติหรือสัมมาสมาธิใช่ไหมก็บอกไม่ใช่เอ๊ะยังไงเนี่ยบอกว่าประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาพระพุทธเจ้าใช่ไหมบอกใช่ท่านประพฤติเพื่อศีลใช่ไหมบอกไม่ใช่ ท่านประพฤติเพื่อสมาธิใช่ไหมเพื่อจิตบริสุทธิ์ใช่ไห ม, เ อ, ไหมเอาบอกไม่ใช่เออเนี่ยน่ า, นาคิดกันนะทำไมจึงไม่ใช่